Book 2สี่สิในกทที่นั่งนี้ว่างไหมครับ อผมนั่งกับคุณได้ไหมครับเชิญครับม่คุ s อะ ค, คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรครับ s you e t musica. s u d e t m u i c a เสียงดังไปนิดครับ p a k l r t p a k l r t แต่วงดนตรีเล่นดีมากครับ f g r u p i e b y m a f m i r o r g r u p i i b e m a f m i r คุณมาที่นี่บ่อยไหมครับ Avini s p e k Avini s p e k ไม่บ่อยนี่เป็นครั้งแรกครับ t hera par t hera par ผมไม่เคยมาที่นี่เลยครับ s k a m e n a s i h e r k สกัมเชนออสเ j เฮร์คุณอยากเต้นรำไหมครับสกัรเทนีสกัรเทนีอีกเดียวอาจจะไปครับมาวอน a ดชตามาวอ a โดชตผมเต้นไม่เก่งครับส ง่ายมากเลยครับอชุมเอทีเอชอชชุมเอทีเอชผมจะแสดงให้คุณดูปอยวัตรเกย์ปออยวัตรเกยไม่เป็นไรวันอื่นดีกว่าครับ ย o มาเมี่เนี้ย here t h e a t คุณรอใครอยู่หรือเปล่าครับอ p o Pristinieri a ปร p สนิ t i ปปใช่ครับรอแฟนอยู่อ้เ น, นียชกโอเนียชอกเขามาแล้วครับ อยากคุยพูดเยน